บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นส่วนของสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามโดยจุดมุ่งหมายแล้วก็เป็นเรื่องของการทํากายให้สงบให้สะอาดกายวาจาให้สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและบุคคลอื่นทำจิตใจของตนให้ส ง, งบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์บรรดาอันหนึ่งเพื่อไม่ให้จิตของตนตกไปสู่อำนาจของกิเลสประเภทที่เรียกว่านิวรณซึ่งเป็นกิเลส <c oughs> ระดับกลางที่เกิดขึ้นกลุ่มรมจิตใจของบุคคล และเพื่อให้เกิดความสว่างสวยในทางปัญญากระจัดความมืดบอดในด้านเหตุผลด้วยความดีต่างๆจนจึงกระจัดต้นตอของกิเลสคือวิชาออกไปได้นั่นคือเป้าหมายในการประพฤติปฏิบัติตวิธีการแสดงธรรมะเพื่อนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามเป้าหมายที่แสดงไว้นั้นพระสงฆ์จําแนกแสดงออกไป โดยเอเนกกาปรยายคือนิยตะต่างๆแต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ดังนั้นในคำถามของท่านชตุกันนีมานบและแม้จะ ม, มานบเราอื่นที่มากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็จะทรงแสดงไว้โดยนิยต์ต่างๆตามสมควรเกี่ยวพื้นเพจริตอัธยาศัยของบุคคล ที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่างที่ทรงสอนสอนให้ท่านเจตุ ก, กันนีมองเห็นคุณความดีของการออกไปจากกิเลสกรรมที่ทรงใช้คำว่ามองเห็นคุณของเด็กกระมะและพยายามสำรอกความพอใจในการมคุณทั้งหลายออกไปจากใจถึงแม้จะ ออกไปด้วยกายแต่ถ้าหากว่าใจยังไม่ออกจากความรู้สึกนึกคิดในลักษณะนั้นความสะอาดความสงบและความสว่างทางปัญญาที่แท้จริงก็เกิดขึ้นไม่ได้และต่อจากนั้นก็ทรงแสดงถึงวิธีปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานในเบื้องตน้นและอาศัยโครงสร้างในการปฏิบัตินั้นสืบต่อไป จนกว่าจะได้บรรลุผลตามที่ตนต้องการโดยสงใ้คำว่าเธอจงปล่อยวางจงทำลายกิเลสในส่วนที่เป็นอดีตให้หมดสิน้นจงอย่าปรุงคิดถึงกิเลสในอนาคตและอย่ามีความยึดมั่นถือมั่นในรูปเป็นต้น ในปัจจุบันต่อจากนั้นเธอก็จะดุดพนจากชราและมัจุชราและมะจุนั้นแท้ที่จริงก็เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากความเกิดความเกิดนั้นเป็นผลมาจากกิเลสมีตัณหาเป็นต้นพระธรรมเทศนาที่แสดงในตอนนี้จึงสาวไปที่ตัวเหตุตั้งเดิ ม, มกิเตุที่แท้จริง ลผลในตอนกลางก็ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าผู้ถามก็ถามในชาราและมรณะก็ทรงแสดงเฉพาะชาราและบรมนาคแตจริงชรามรณะก็เป็นผลจากความเกิดความเกิดก็เป็นผลจากกิเลสและเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีชาราคือความแก่ในบรมนาคคือความตายทีนี้ถ้าหากว่าไปตัดต้นต่อของการเกิดเสียได้ เรื่องแก่เรื่องตายก็เลิกพูดกันเพราะจะไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดการแกร่การตายก็ไม่มีพระพุทธดำรัดในลักษณะนี้ได้ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์ในชีวิตของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ตัวการใหญ่จริงๆอยู่ที่การไปรยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งทั้งหลายซึ่งสงชายกันบัตในขันทั้งหลายที่เรามักสรุปรวมเรียกว่าอุปาทานขันคือขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือด้วยประการต่างๆขันของคนเราแต่ละคนก็มีอยู่ห้าขันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังการมีวิญญาตามปกติแล้วชาวโลกจะเดือดร้อนเพราะขันทั้งหลาย จากการเพิ่มขันเช่นว่าในตอนแรกมันก็มีความยึดมั่นถรือมั่นอยู่ในขันตัวเองขันของสามีพัญญาต่อมาขันของลูกขันของญาติพี่น้องทีละห้าขันทีละห้าขันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็ไปเพิ่มขันขึ้นมาอีกจนบอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไปเพิ่มขันสามีขันปัญญาขึ้นมาอีกแล้วก็สร้างขันลูกขันหลานขึ้นมา ก็กลายเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือกันอยู่ตลอดไปดังนั้นเมื่อมีคนมากราบทูลถามพระพุทธองค์ถึงพระรีเจ้าทั้งหลายในสมัยนั้นว่าทำไมาท่านฉันอาหารน้อยแต่ผิวพรรณท่านผ่องใสล่ะกินพระเจ้าก็ทรงแสดงโดยในยะนี้เพราะการที่ท่านเหล่านั้นแม้มีอาหารน้อยแต่ว่าผิวพรรณผ่องใส <c oughs> ก็เพราะว่าท่าน รอยวางขันในอดีตได้มายึดมั่นอยู่ในขันที่เป็นอนาคตและกำหนดอยู่ในธรรมที่เป็นปัจจุบันคือแม้แต่ขันในปัจจุบันก็ไม่มีการยึดการถือด้วยลักษณะเหล่านี้จริงแล้วก็เป็นเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงแก่เจตุกันนีปนกแต่เพราะว่า คนที่พูดถึงในตอนนี้เป็นพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสไปพืชผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของท่านแต่ท่านที่มาถามนั้นยังมีกิเลสอยู่ปัญหาใหญ่จึงอยู่ที่กิเลสจึ ง, จงทรงสอนให้ตัดกิเลสที่ทรงใช้กรรมกิเลสเป็นเหตุกังวลหรือกิเลสเป็นเครื่องกังวลในอดีตให้หมดสิ้นไปกิเลสเป็นแค่เป็นเป็นเครื่องกังวล น, นั้นคืออะไร คำปกติก็จะส่งแสดงราคาโทสะโมหะตัณหามาณทิฏฐิหรือมักจะใช้หกคำเหล่านี้ซึ่งบางครั้งก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้อย่างนั้นอาจจะใช่เพียงสามตัณหามาณทิฏฐิจะใช้เพียงสามหน้าแรกคือราคาโทสะโมหะก็ได้แต่แท้จริงแล้วก็เป็นกระบวนการของกิเลสที่เกิดสืบเนื่องถึงกัน ปัาความกังวลในอดีตคือประรบขันท่าดายตระในอดีตประรบเรื่องราวต่างๆในอดีตแล้วมาปรุงคิดคิดปรุงจนสร้างปัญหาขึ้นภายในจิตใจของบุคคล<ม>เวลาในชีวิตของบุคคลส่วนหนึ่งถ้าคิดออกมาเป็นวันก็มีจํานวนหลายๆปีทีเดียวที่ได้สูญเสียไปเพราะประรบเรื่องราวในอดีตอาจจะมีลักษณะเศร้าโศก ถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตโหยหาเรียกร้องหาปรารถนาสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตบางครั้งก็มีลักษณะที่จงกันข้ามคือมีความคับแค้นมีความไม่พอใจมีการกระทบกระทั่งใจในอดีตท่านจะเห็นได้ว่าลักษณะของความคิดที่ประรบถึงเรื่องในอดีตนั้น เมื่อสืบสายมาถึงต้นตอแล้วก็เป็นสายของความคิดทั้งเนื่องด้วยโลภะทั้งเนื่องด้วยโทสะทั้งเนื่องด้วยโมฆะความคิดในลักษณะที่โหยหาถึงหรือว่าเศร้าโศกถึงเป็นอาการสืบเนื่องมาจากโลภะเป็นตัวใหญ่ความคิดในลักษณะที่สงใจคำว่าอุปนาหะคือผูกโกรธไว้ความคิดในลักษณะที่เป็นอาคาตะคือความอาฆาตแค้น ความคิดลักษณะที่เรียกว่าเป็นพยาบาทคือต้องการจะจองลั่นจองร่างจองพ่านต้องการจะโต้อตอบประรบการกระทาของบุคคลอื่นในอดีตเป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากกิเลสสายโทสะแต่บางอย่างก็พร่ำถึงเรียกหาต้องการจะได้มาซึ่งสิ่ ง, งต่างๆในอดีตแต่เป็นการเลือกเอาเฉพาะส่วนที่ดีๆ ส่วนที่ดีมกักจะส่วนที่ไม่ดีมักจะไม่พูดถึงเพราะจะพราบว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วท่านที่อายุล่วงการผ่านไปม า, มากมักจะประรบเรื่องดีๆขั้งตนในสมัยเป็นนันดิตแล้วก็ปรารถนาให้เรื่องเหล่านั้นกลับมาอีกในปัจจุบันเริ่มต้นความคิดเป็นอาการของโมคะต่อต่อมาก็เป็นอาการของโลภะกิดเป็นความโลภ ทำไมจึงถือว่าเป็นการเริ่มต้นของโมหะตอนนี้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในอนดีตแม้จะดีนั้นก็มีองค์ประกอบของมันคือเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยไวสถานะกาลเทศะต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยถ้าปรารถนาทั้งอดีตก็ต้องปรารถนาได้ทั้งหมดแต่แท้จริงแล้วอดีตก็เป็นเรื่องของอดีตอดีตโดยความหมายทางรูปศัพท์แปลว่าเป็นไปแล้วและล่วงไปแล้ว ทนจึงใช้คำว่าอาดีตอดีตจึงไม่มีทางพลิกวคลื่นคืนมาไม่ว่าจะเป็นส่วนดีหรือส่วนไม่ดีก็ตามถ้าหาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นการเกิดขึ้นในอีกิกาละหนึ่งเทสสะหนึ่งบุคคลหนึ่งในอารมณ์อันหนึ่งกหมายความว่าก็เป็นเรื่องใหม่ด้วยกันทั้งนั้นท่านี้เฉ่นตัวอย่างว่าเราประสบกรรมในอดีตประสบผลกรรมในอดีต แต่ก็ไม่ใช่มาทั้งหมดของอดีติก็เป็นเรื่องที่อิงอาศัยเหตุปัจจัยในปัจจุบันก็มาประกอบส่งเสริมให้เกิดผลขึ้นมาในลักษณะอย่างนั้นแม้ความจริงจะเป็นเช่นนี้แต่คนส่วนหนึ่งก็ไปสูญเสียเวลาไปเพราะแรงของกิเลสที่ผลักดันให้เกิดอาการโหยหาอาการขับแค้น ด้วยการปรารถนาสิ่งที่เป็นอดีตพระเจ้าก็ทรงสอนให้บุคคลตัดกิเลสในอดีตออกไปตอนนี้เพิ่งสังเกตว่าสอนให้ตัดกิเลสในส่วนที่เป็นอดีตเพราะในส่วนที่ตรงกันข้ามคือที่เป็นธรรมะเช่นมีลักษณะเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดคลายความขัดเคืองคลายความรุ่มหลงมัวมา ก็มีการสอนในัยอนอนดีตก็นี้พึงดูตัวอย่างถ้าทำอเทศนาที่สงสอนแม่ระดับกรรมฐานเช่นพุทานุสติตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้านั้นปรากฏในอนดิตตามระลึกถึงคุณของพระธรรมที่เรียกว่าธรรมานุสติหรือสังขานุสติก็เป็นเรื่องราวในอนดิต พระคุณของพระสงฆ์ที่เรานํามาย้อนระลึกนั้นเป็นคุณของพระอริยสงฆ์ลักษณะที่สมบูรณ์คือเป็นสุปฏิปโนปฏิบัติดีปฏิบัติทรงปฏิปัติปเป็นธรรมปฏิบัติสมควรอย่างสมบูรณ์หรือแม้แต่การประพฤติการกระทําของบุคคลในปัจจุบันจนในอดีตอาจจะใกล้ๆเช่นวาจาการุสติระลึกถึงทานการบริจาคของตนก็เป็นเรื่องในอดีต อาจจะตักบาตเมื่อเช้ามาระลึกถึงตอนกลางคืนหรือตักบาตหลายวันแล้วมาระลึกถึงทีหลังก็ได้ศีลานุสติคือการรักษาศีลในอนดีตเารนการปล่อยวางจึงไม่ใช่ปล่อยวางทุกอย่างแต่เป็นการปล่อยวางเฉพาะส่วนที่ไม่ดีเท่านั้นส่วนที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือปั้นเมื่อไปยึดไปถือแล้วเกิดความเดือดร้อนขึ้นภายในจิตใจ ความสงบที่เคยมีจางไปความสว่างที่เคยมีกลับมืดลงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรปล่อยวางพอมาถึงขันในอนาคตในกิเลสในอนาคตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอนาคตแปล ว, ว่าไม่ได้มาหรือไม่เคยมาแล้วซึ่งก็หมายถึงความว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วอนาคตนั้นไม่เคยมี เพราะแกมาถึงแกก็เป็นปัจจุบันทุกทีอย่างชั่วโมงหน้าก็เป็นอนาคตหรือนาทีหน้าก็เป็นอนาคตแต่พอนาทีหน้าที่ว่านั้นมาถึงมัน ก, ก็กลายเป็นปัจจุบันดังนั้นกิเลสประเภทที่ควายาในลักษณะต่างๆนั้นเป็นอันเป็นการเพิ่มความกระสันอยากแรุมทั้งหลายให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล จึงหมายความว่าก็ทรงสอนให้ดับในเชิงกิเลสเช่นเดียวกันแต่ความมุ่งมา่ปรารถนาคผลอันดีงามที่เกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ทรงสอนให้บุคคลใช้ความเพียรพยายามเช่นทรงสอนว่าบุคคลพึงใช้ความเพียรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสําเร็จนัจ่นหมายความว่าตัวประโยชน์นั้นยังอยู่ข้างหน้ายังเป็นอนาคตอยู่แต่ว่าให้ใช้ความเพียรพยายามในปัจจุบัน จนกว่าจะบรรลุผลมุ่งหมายในอนาคตลักษณะของการปล่อยวางจึงต้องมองให้ชัดลงไปว่าต้องเป็นเรื่องของกิเลสไม่จะเป็นเรื่องของธรรมะคือไปปล่อยวางอะไรกันหมดเลยแต่ในสุปรปาบุลก็ต้องปล่อยวางด้วยความดีต่างๆก็ปล่อยวางด้วยเลยยุ่งกันใหญ่คือปล่อยวางเฉพาะส่วนที่เป็นกิเลสหรือเป็นเหตุแต่งความทุกข์แต่ส่วนแต่งความเจริญความก้าวหน้าพัฒนาการในด้านต่างๆนั้น ก็ส่งสอนให้เพิ่มพูนได้มากยิ่งขึ้นแม้แต่ในชั้นของการครองเรือนครองชีวิตหรือขั้นบำเพ็ญความดีทานศีลภาวนาก็ส่งสอนให้บุคคลพยายามพอกพูนขึ้นเหมือนการสะสมรังปลวกของพวกปลวกทั้งหลายคือสะสมจอมปลวกของพวกปลวกทั้งหลายเป็นการเพิ่มพูนสะสมขึ้นโดยมองเห็นผลที่จะพึงได้พึงมีในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันก็ทรงสอนให้บุคคลถ่ายถอนบนรรเทาลดละกิเลสที่เป็นเหตุคิดปรุงหรือปรุงคิดให้จิตไปยึดมั่นถือมั่นสชใยคำว่ารูปปาฏิเป็นต้นคือในรูปเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่ามองในแง่ของความการสรุปการสรุปรวมทุกอย่างในโลกนี้เป็นรูปนาม คืสรุปอย่างยอดที่สุดแต่ว่าในระดับนี้เป็นการแสดงในลักษณะที่กระจายออกไปก็กระจายออกไปเป็นขันห้าโดยเริ่มต้นที่รูปเอาไว้ซึ่งบุคคลจะต้องเข้าใจเอาเองว่าหมายถึงเวทนาสัญญาสังขารและกิวิญญาณตามไปด้วยคือจะไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารในปัจจุบันในกรณีที่เป็นกิเลส ในกรณีที่เป็นการเพิ่มกิเลสท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการที่เอาอารมณ์ต่างๆมากำหนดระลึกเพื่อให้เกิดความสงบนั้นที่จริงเราก็เอาขันเหมือนกันเอาลูกขันเวทนาขันทัญญาขันนักขารักขันวิญญาณขันเหมือนกันแต่เอามากำหนดระลึกอยู่ในปัจจุบันนั่นเองเพื่อเกิดความรู้ริงเห็นจริง ในสิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่เป็นจริงจนสามารถถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิคือความยึดถือว่าเป็นของเรายึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้โดยลําดับปัญหาเรื่องอารมณ์ที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีแต่แม้แต่อารมณ์ปัจจุบันแต่เป็นอารมณ์อื่นไม่ใช่อารมณ์ที่ตนกําลังกําหนดระลึกอยู่ในขณะนั้น ถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางในการทำความดีของบุคคลทั้งหลายทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามตังนั้นในเชิงกอการปฏิบัติธรรมะบุคคลไม่ควรคิดว่าเรื่องนี้ต้องเรื่องของกรรมาฐานเท่านั้นที่จริงแล้วเป็นเรื่องของทุกเรื่องวันนี้พึงดูตัวอย่างว่าเราทำงานกิ จ, จกรรมวันอย่างกิจประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่องอยู่ในปัจจุบันแต่ในขณะนั้นเองกิจไปเหนียวถึงเรื่องอดีต หรือเนียวถึงอนาคตโดยไม่ได้กําหนดอยู่ในอารมณ์หรือสิ่งที่เรากระทาอยู่ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เช่นเราขับรถได้ใจลอยซึ่งอาจจะลอยไปในอดีตก็ได้อนาคตก็ได้แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือเดินถนนแต่วใจไปเหนียวนึกถึงเรื่องอื่นแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ถึงไม้แต่รับประทานอาหารแต่วใจไม่ใส่ใจแต่เรื่องนั้นไปคิดเพ้อฝันเรื่องอื่นสำหรเรื่องอื่นที่คิดนั้น อาจจะเป็นเรื่องอดีตอาจจะเป็นเรื่องอนาคตหรืออาจจะเป็นเรื่องปัจจุบันแต่เป็นเรื่องอื่นจากเรื่องที่เรากระทำอยู่ทวนแล้วแต่ก็สร้างปัญหาด้วยกันทั้งนั้นยิ่งงานที่เประนิจซึ่งบุคคลประพฤติกระทำอยู่ในขณะนั้นนั้นถ้าใจเบี่ยงออกไปสู่อดีตก็ดีอนาคตก็ดีก็จะเกิดการพลั้งพลาดขึ้นมาจะมีคร า, าวที่เป็นรูปธรรมให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอ เจ็บพนัก ง, งานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทำงานอยู่ในปัจจุบันใจวิ่งไปไหนไม่รู้มือขาดเท้าขาดเกิดอุบัติเหตุปีหนึ่งหลายร้อยหลา ย, ลายพันคนนี่คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมซึ่งช่อเห็นว่าธรรมะปฏิบัตินั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องขึ้นสูงสุดเท่านั้นแต่แท้จริงๆแล้วโดยโครงสร้างแล้วอยู่จากจุดเริ่มต้นของชีวิตบุคคลทั้งหลายซึ่งจะต้องใช้ คุณสมบัติอันดีงามเหล่านั้นให้ได้ในระดับใดระดับหนึ่งถ้าไม่อย่างแล้วถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเกิดปัญหาในการดำรงชีวิตหรือในการปฏิบัติภารกิจการงานของตนพอมาถึงชั้นของการปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามอารมณ์อารมณ์อดีต กลับเป็นปริโพ o o t คือเครื่องกังวลตัวอย่างที่บอกแล้วว่าในกรณีที่เป็นการเพิ่มกิเลสคือหมายความว่ากิเลสในอดีตด้นแล้วแต่สร้างความกังวลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลตอนนี้นึกมา ก, กขึ้นในกรณีที่เป็นความผิดความพลั้งพลาดของตนก็จะเกิดวิปฏิสานคือเดือดร้อนใจ แทนที่ใจของตนจะสงบก็กลายเป็นไม่สงบคือเพิ่มความไม่สงบมากยิ่งขึ้นบางครั้งในกรณีที่เป็นอารมณ์ซึ่งน่ากำหนัดเพลิดเพลินยินดีแต่เป็นเรื่องของอดีตก็กลายเป็นอุปสรรคของความสงบเพราะอะไรเพราะว่าตัวความสงบนั้นจะต้องทําหน้าที่สงบกิเลสสายโลภะคือกามาฉันได้ ก ร, รมฉันได้แก่จิตเดี่ยวนึกถึงความถึงความรักใคร่พอใจสิ่งที่ตนรักใคร่พอใจจะเป็นในการใดก็ตามสมาธิเมื่อเกิดขึ้นจะต้องสงบสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งสองอารมณ์นี้จะเกิดร่วมกันในจุดเดียวกันไม่ได้ในขณะใดที่ใจยังมีกรรมฉันอยู่ในขณะนั้นสมาธิจะไม่เกิดขึ้นในขณะใดที่สมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้นกามฉันจะมีอยู่ภายในใจด้วยไม่ได้ ในกรณีที่มีอยู่แล้วเกิดขึ้นรุ่มรุมใจส่วนมีอยู่ในแนวลึกคือแนวที่เป็นสังโยชน์เป็นอนุาสัยนั้นแน่นอนใะเกินว่าเราคงจะมีอยู่เป็นปกติธรรมดาเพราะระดับสมถกรรมฐานเป็นการสงบกิเลสไม่ใช่เป็นการละกิเลสให้หมดสิ้นไปเพราะงั้นในเชิงของการประพฤติปฏิบัติพระเจ้าจึงต้องสอนไว้ทั้งสามจุด ในปัจจุบันจะต้องมีลักษณะตัดกระแสของอารมณ์ที่เราใช้คำว่าปริโพุธคำว่าปริพุธนั้นก็อาจจะนับอะไรออกไปมากมายถ้านับได้เป็น10บสข้อแต่จริงๆนับไปได้หลายร้อยข้อก็ได้แต่ประการที่สําคัญก็คือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เราทําอยู่ในปัจจุบันใจก็ไปนเหนี่ยวนึกถึงเรื่องเหล่านั้น มเมเนียวนึกไปแล้วเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นดึงจิตออกไปจากความสงบซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นเรื่องเหล่านั้นถือว่าเป็นปริพุธทั้งหมดสมาชิผู้ปฏิบัติกรรมฐานอาจจะระลึกถึงญาติพี่น้องก็ได้อาจจะระลึกถึงทรัพย์สมบัติก็ได้นาที่การงานก็ได้ที่ยังทําที่ทําแล้วที่ยังไม่ได้ทําที่จะทําต่อไปก็ได้แต่สรุปแล้วว่าไม่ใช่เรื่องที่กําลังระลึกอยู่ แต่ในการปฏิบัติกรรมฐานนั้นบุคคลอาจจะกําหนดระลึกดูลมหายใจเข้าออกอาจจะกําหนดบทภาวนาเป็นพุทโธอาจจะตั้งสติระลึกในส่วนอื่นๆก็ตามสรุปนั้นคืออารมณ์ที่จะต้องใช้จริงๆในปัจจุบันแต่ถ้าเ จ, จ็บจิตแว บ, บออกไปหาอารมณ์หล่ออื่นอาจจะเป็นอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ถือว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นข้าศึก เป็นเรื่องกังวลของใจทำใจสูญเสียความสงบที่ควรจะได้ควรจะมีในขณะนั้นๆด้วยการปฏิบัติในลักษณะ น, นี้จึงทรงมุ่งหมายที่จะให้บุคคลใช้สติสัมปชัญญะของตนให้อยู่ด้วยในอารมณ์ปัจจุบันตึเป็นการแสดงเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงไว้ว่ากา์ตั้งห้านั้นเป็นภาระอันนัจริง แต่บุคคลก็มายึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าเอาไว้การปล่อยวางขันทั้งหลายจะได้เป็นความสุขในโลกประเด็นของการปล่อยวางขันนั้นผู้สังเกตว่าก็ไม่ใช่จะต้องใช้เฉพาะในกรณีของวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพียงอย่างเดียวแม้ในกรณีของการดารงชีวิตคือธรรมะระดับ ปรมวิหาระธรรมแต่แม้แต่ระดับที่ทาใจให้ยอมรับความจริงถึงกติธรรมดาทั้ง5างประการที่สวดสาธยายกัดนั้นเมือผู้ปฏิวัติมองให้ซึ้งลงไปก็คือการปล่อยวางขันทั้งหลายเมื่อถึงแก่ก็ขันมันแก่ก็ต้องปล่อยวางจะไปดึงมาให้แก่มันก็ไม่ได้เมื่อครเจ็บขันมันก็เจ็บ ใ่ใจเราก็ไม่ไปบวกการบริหารขันการรักษาขันในส่วนรูปขันก็รักษากันไปคือแม้แต่พวกสังขารแต่ ว, ว่าการล้มตายหรืการพลาดพลาดก็มีลักษณะอย่างนั้นที่ควรเดือดร้อนเพราะตายเพราะว่าพยายามฝ่าวกผื น, นความจริงของขันซึ่งตายแล้วแต่ว่าใจจะไปเหนี่ยวไม่ให้ตายหรือ ว, ว่าการพลัดพลากซึ่งพลาดพลากไปแล้วใจก็ไม่ยอมรับการพลัดพลาก ต้องการที่จะเอาสิ่งหนึ่งพระครากกลับมากระทำไม้เกิดปัญหาในด้านจิตใจตอนั้นในชั้นนี้พระเจ้าก็ทรงสอนให้บุคคลทําจิตได้อย่างลงสู่กฎของกรรมการทําจิตได้อย่างลงสู่กฎของกรรมก็คือการปล่อยวางขันที่เป็นรู ป, ปรธรรมคือเดินไปไหนมาไห น, ไ, หนได้แต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วใจก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะคืนไปยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไม่ได้เรื่องอะไรขึ้นมา รางแต่จะเพิ่มทุกทษดให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจดังที่เคยกล่าวไวเพื่อจะทรงแสดงว่าอย่างเช่นในกรณีของการพลัดพลากจากผิชนคนที่รักถ้าใจของบุคคลไม่ยอมรับ ก, กติของธรรมดาร้องผมร้องไห้เสียใจเป็นต้นคือแทนที่จะสร้างประโยชน์มันกลับทำลายประโยชน์เพิ่มขึ้นจากที่ถูกทาลายไปแล้วคือจากการที่ได้พลดพลากไปแล้ว จนร่างกายของตนเองก็จะต้องสุดโทมเศร้าหมองไปญาติพี่น้องก็พลอยเดือดร้อนตามไปทรัพย์สมบัติก็ต้องสิ้นเปลืองไปพวกที่คนเป็นคนซึ่งเป็นศัตรูมุ่งเห็นเราพิบัติอยู่แล้วก็จะดีใจนี่คือเกิดขึ้นจากใจที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางในขันทั้งหลายเมื่อถึงคราจะวาง นนในคำคำสอนในลนักษณะนี้ที่จริงก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลโดยตลอดไปแม้ในส่วนของการดํารงชีวิต ท, ที่ทรงแสดงว่าบุคคลเหล่านั้นแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ถือว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่มีความเจริญนั่นก็คือการพยายามปล่อยวางขันทั้งหลายในอดีตแต่ไม่ควยคว้าขันทั้งหลายในอนาคต กำหนดจิตอยู่กับเรื่องอะไรก็ตามที่ตนจะต้องทําในปัจจุบันแต่มีข้อแม้ว่าเรื่องอะไรก็ตามนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ลดละกิเลสไม่จะเป็นการเรื่องไม่ไม่จะเป็นเรื่องที่เพิ่มปูนกิเลสด้วยการปฏิบัติในลักษณะนี้ก็จะเห็นอานิสงส์ของใจที่ออกมาจากการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเละสะกับเราจะเห็นโทษของ กิเลสกรรมเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจของตนเมื่อเห็นโทษชัดเห็นคุณชัดก็เห็นโทษของส่วนดีชัดเห็นคุณของส่วนไม่ดีชัดแล้วฉันเท่าสะหะเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นในการจะละส่วนที่ควรละในการจะบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญและเมื่อทำไปแล้วผลก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นตามสมควรแก่การปรฏิบัติ ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป